อยากได้ลูกดีแค่ไหนเปลี่ยนใจตัวเองให้ดีกว่านั้นถ้าทำได้ก็มีสิทธิ์ได้จะขอให้เด็กมีบุญมาเกิดเป็นลูกได้จริงไหมเรื่องความปรารถนาจะมีลูกเป็นอย่างไรให้สำรวจง่ายจากความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไ ป, นปนตามกรรมทุกคนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ ด้วยสัจจะความจริงข้อนี้เราย่อมสำรวจตัวเองและคู่ครองได้ว่ามีความเป็นแดนเกิดประมาณใดเช่นอากคุณเป็นผู้มีฐานะมั่งคั่งมั่นค ง, งมีรายได้มากกว่ารายจ่ายอย่างต่อเนื่องก็แปลว่าเด็กที่จะมาเกิดเป็นลูกได้ต้องเคยทำทานรักษาศีลดีในแบบที่จะไม่ลำบากเรื่องฐานะนั่นเพราะผลรวมของทานในชาติก่อน เป็นตัวกำหนดความมั่งคั่งในชาตินี้และผลรวมของศีลในชาติก่อนเป็นเครื่องตัดสินความมั่นคงในชาตินี้อคุณเป็นผู้มีความเอาใจใส่คนใกล้ชิดให้ค่าและเห็นความสำคัญกับครอบครัวก็แปลว่าเด็กที่จะมาเกิดเป็นลูกได้ต้องเคยมีน้ำใจไม่แกล้งให้ผู้อื่นเป็นทุกข์หนักกับทั้งเคยให้การอุปการะใครต่อใครมาอย่างดี นั่นเพราะกรรมที่ทํากับผู้อื่นจะผลิผลเป็นผู้อื่นทํากรรมกับตนในทางเดียวกันโดยเฉพาะนิยามต้องเกิดใหม่ยังไม่อาจช่วยเหลือตนเองได้ในช่วงเริ่มชีวิตนี่เองตัวคุณและคู่ครองรวมกันคือแดนเกิดหนึ่งหนึ่งรับได้กับวิญญาณจำพวกหนึ่งหนึ่งหมายความว่าหากเปลี่ยนคู่ครองความเป็นแดนเกิดก็ต่างไป วิญญาณที่จะมาเกิดก็ต่างจาพวกหรือหากเปลี่ยนใจตนเองได้ความเป็นแดนเกิดก็ต่างไปอีกวิญญาณที่จะมาเกิดก็ต่างไปได้อีกแต่การที่อยู่ๆจะอธิษฐานขอลูกแบบจำเพาะเจาะจงให้เป็นอะไรที่ดีกว่าแดนเกิดมากๆหรือแตกต่างจากแดนเกิดไปมากๆอันนี้เป็นไปไม่ได้ยีนมันฟ้องอยู่ ความรับผิดชอบของกรรมเป็นของลูกเรื่องหนึ่งความรับผิดชอบชีวิตลูกเป็นของคุณอีกเรื่องหนึ่งกรรมของลูกเปลี่ยนได้ในมือคุณเมื่อลูกยังเล็กเขาเปลี่ยนเส้นทางกรรมของตัวเองไม่ได้แต่ถ้ามาเกิดกับพ่อแม่ที่เป็นสัมมาทิฏฐิไม่ขี้เกียจมีความใส่ใจลูกแลรักลูกพอที่จะสำรวจตัวเองว่าตนยังมีกรรมใดที่บกพร่องอยู่บ้าง แล้วตกลงใจจะเปลี่ยนเส้นทางกรรมนั้นๆเพื่อลูกเช่นนี้คือเปลี่ยนเส้นทางกรรมให้ตัวเองเอาชนะกรรมเก่าของตัวเองได้ด้วยกรรมใหม่ซึ่งก็เท่ากับเปิดทางกรรมเส้นใหม่ให้ลูกไปด้วยฉะนั้นแทนการอธิษฐานขอลูกตามใจนึกคงต้องเปลี่ยนเป็นการอธิษฐานขอเปลี่ยนใจตนเองอยากได้ลูกดีแค่ไหนเปลี่ยนใจตัวเองให้ดีกว่านั้น ถ้าทำได้ก็มีสิทธิ์ได้